บุกท <Book> <57 S 3> ูห้าสิบเจ็ดยาใบเยดูพบหมอดอกเตอร์วดดิฉันมีนัดกับคุณหมอนากด็อกเตอร์วัดาแ pointment วันนี้ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา น้ากูพาดินทีกี่แอป pointment ปุดีคุณชื่ออะไรคะมีเพย์เมิติการุณานั่งรอในห้องได้จเจสิ waiting room หรือ direction น, น, นดิคุณหมอกำลังเดินทางมา doctor ด, ดาริโลวุ่นนารุคุณมีประกันกับบริษัทไหน มีหรือเย่ยพีมาคอมเป็นนีกิสัมมันดินชินาวารุดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหมเนโนมีกูเยนเช่เกันนุคุณมีอาการปวดไหมคะมีกูเย่ไม่นะน็อปปี้บุนดาเจ็บตรงไหนคะเย็ ก, กัดน็อปปีกาวันดีดิฉันปวดหลังเป็นประจำ นา้าก็ยับปุ๊ดุนั่นนน็อปปิกะอุ่นตุ่นดีดิฉันปวดหัวบ่อยนา้าก็ ต, ตนนัดเฉตัดนั่นน็อปปิกุนตุนดีดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้งน้าก็อับปุ๊ดปุด๊ดๆขาดปุ๊ดๆน็อปปิกะอุ่นตุ่นดีถอเสื้อออกค่ะกดที่ก็มีรูมีป้นเวสกุนนะ่ะบัตเทิลนี่ตีอนดีนอนบนเตียงตรวจค่ะ ได้เช่นสรอักษรบาลประเภพดูคนดีความดันโลหิตปกติมีรักตะเพิดนั้นสริกกในอุคนดีดิฉันจะฉีดยาให้คุณเนนุมีกูว่ก็ซูดิมันด้ิสถานุดิฉันจะให้ยาคุณเนนุมมิกุค น, นิมันดุลีิสถานุ ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยามันดุลชอปเลยมันดุลก่อนอ่ะทักกูเนี่ยนี่มีก็คมันดุล่ะชีสถน